น่าประทับใจนะอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงอายุห้าขวบนะเป็นเด็กอเมริกันหขวบนี่ก็ยังน่ารักอยู่เลยนะวันหนึ่งก็ดูสารคดีเกี่ยวกับเด็กในแอฟริกาและในสารคาดีนั้นก็บอกว่าเด็กในแอฟริกาเนี่ยทุก30สวินาทีจะตายด้วยโรคมาลาเรียหนึ่งคนเธอฟังก็ ตกใจแล้วก็นับนิ้วไปด้วยนะนับหนึ่งสองสามพอถึงสามสิบเธอก็บอกอุ้ยแม่ตายไปแล้วหนึ่งคนนะเด็กแอฟริกันนะ่ะเธอตกใจมากเลยนะพอสาสิบวินาทีนี่พอนับแล้วมันก็นิดเดียวเองเธอก็ถามแม่ว่าทําไมไอ้โรคมาเรเรย์นี่มันคืออะไรแม่ก็อธิบายนะโรคมาเรเรยนี่มันเกิดจากายุงกัดนะมันเป็นโรคที่ร้ายถึงตาย แล้วทำไมถึงถูกยุงกัดล่ะแม่ก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าเด็กแอฟริกานี่เขานอนเขาไม่มีมุง้งนะแม่ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเด็กนี้มันมีมุ้งที่มันทาฉาบยากันยุงได้นะถ้าเด็กมีมุ้งนี่นอนเนี่ยก็ไม่ตายนะแต่ว่าเด็กที่นั่นเขายากจนนะเขาไม่มีมุง้ง สองสาวันต่อมาครูก็โทรมาถามแม่ของเด็กของแคทเทอรีนนะว่าเนี่ยแคทเทอรีนนี่ไม่ได้จ่ายค่าขนมเลยนะเอาเงินไปทําอะไรหรือเปล่านะแม่ก็เลยไปถามแคทเทอรีนแคทเทอรีนก็เลยตอบว่าเก็บเงินค่าขนมเนี่ยเอาไว้ซื้อมุ้งนะมุงมันเนี่ยราคาสิบเหรียญ น, นะเธอก็เก็บเงินเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะได้ซื้อมุ้งนะ แม่เห็นความตั้งใจของลูกก็เลยก็เลยให้เงินลูกไปนะสิบเหรียญแล้วก็เอาเงินนั่นแหละส่งไปให้หน่วยงานซึ่งเธอแม่คนใหม่คนมาพออ่อออมมันมีหน่วยงานที่ชื่อว่าไม่เอาอะไรนอกจากมุงนะไม่เอาอะไรนอกจากมุงชื่อแปลกดีนะเป็นหน่วยงานที่คอยหาเงินส่งมุงไปให้ออฟริกา ก็บริจาคเงินเนี่ยสิบเหรียญนี่แหละไปให้หน่วยงานนี้หน่วยงานนี้ก็ส่งใบ ป, ประกาศเกจตุคุณมานะบอกว่าเนี่ยเธอเป็นเด็กที่บริจาคเงินที่อายุน้อยที่สุดนะคือห้าขวบนะหน่วยงานนี้ก็ดีใจนะอนเด็กก็ดีใจนะก็เลยอยากจะหาเงินมาเพิ่มเติมทำยังไงอะ่ะเงินค่าขนมก็ไม่พอ ก็เลยคิดได้ว่าเออเราเปิดท้ายขายของดีกว่าเอาของในบ้านนี้มาขายนะฮะเรียกว่าเปิดท้ายขายของพวกของใช้แล้วนะก็ทีแรกก็ไม่ค่อยมีคนซื้อนะเพราะว่าเราแวกบ้านของเธอมันก็เป็นคนมีฐานะนะตอนหลังเธอก็ได้ความคิดขึ้นมาว่าเออเวลาหนูบริจาคเงินให้หน่วยงานนี้เขาก็ส่งใบประกาศเกิดคุณมา เพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครซื้อของหนูหนูก็จะทำใบประกาศเกติคุณให้นะแล้วก็เขียนข้อความว่าเนี่ยในนามของคุณเราได้ส่งเงินเราได้ส่งมุ้งไปให้เด็กแอฟริกันในะบประกาศเกจิคุณนะ<ม>ก็ทางมันเองนะเธอก็วาดรูปแล้วก็น้องชายก็ช่วยวาดรูป ด, ด้วยแล้วก็มีลายเซ็นของเธอนะทั้งหมดที่เขียนเป็นลายมือหมดนะไม่มีการพิมพ เพืนบ้านมาซื้อก็ได้ใบประกาศเกจทุกคนจากเธอก็ดีใจนะเพราะเห็นว่าใบาประกาศเกจทุกคุณมันน่ารักแล้วก็ไอ้เงินที่ได้นี่มันไปช่วยเด็กแอฟริกันก็เลยซื้อกันใหญ่เลยนะไม่ได้ต้องการของหรอกแต่ว่าต้องการช่วยแคทเทอรีนแล้วก็ต้องการช่วยเด็กแอฟริกันด้วยก็เลยได้เงินมาหลายร้อยเหรียญหลายร้อยเหรียญมุ้งมันมุง้งมันหลังละสิบเหรียญก็ได้มาหลายสิบมุ้งนะก็ส่งไป ให้หน่วยงานนี่แหละไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งนะก็ส่งใบประกาศเกจทุกคนมาให้เธอหลายใบยเลยนะแล้วตอนหลังก็เอาเรื่องของเธอเนี่ยไปขึ้นเฟซบุ๊กไปขึ้นเว็บไซต์สมัยก่อนนี่อันนี้ตอนที่มันสมัยนั่นเฟ e บุ๊กยังไม่มีนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วก็เลยมีคนประทับใจนะก็ส่งเงินมาช่วยไอ้หน่วยงานนี่ใหญ่เลยเพราะขนาดเด็ก้าขวบนี่ ก็ยังไม่อยู่นิ่งเฉยไม่นิ่งดูดายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ได้จากการบริจาคเพื่อไปช่วยเด็กแอฟริกาก็เพิ่มมากขึ้นส่วนแคทเธอรีนก็ยังเปิดท้ายขายของนะเหมือนเดิมนะแล้วก็เล่นกันผลิตทำใบประ ก, กราศเกียรติคุณเพราะว่าใครๆก็อยากได้ใบประ ก, กราศเกียรติคุณจากแคทเธอรีนนะนะให้สิบเหรียญนี่ก็ได้ใบได้หนึ่งใบนะเขาก็ซื้อของกันใหญ่เลยซื้อของบริจาคเธอเธอก็ปั๊มนะ เขียนด้วยมือส่งไปให้พูดบริจาคตอนหลังก็ได้เป็นประมาณแค่ปีเดียวเธอก็ได้ประมาณหกพันเหรียญเด็กห้าขวบนะพออายุหกขวบนี่ก็ได้ไปแล้วหกพันก่่นเหรียญซื้อมุ่งได้หกร้อยกว่าหลังตอนหลังนี่เบ็คแคมเบ็คแคมนี่ตอนนี้นกำลังดังนะนักนักฟุตบอลรู้เรื่องของเธอก็เอาเรื่องเธอขึ้นเฟซบุ o กนะตอนนี้เฟ e b o o k เริ่มมาแล้วนะ โอ้ก็คนก็บริจาคให้แบ็คแคมใหญ่เลยแล้วก็เรื่องหลังเธอก็เริ่มเป็นที่รู้จักเธอก็ได้รับเชิญให้ไปออกรายการโทรทัศน์คนก็บริจาค ก, กันใหญ่ในนามของเธอผ่านเธอเธอก็ยังไม่ยุตินะยังทำต่อไปนะวันหนึ่งเธอก็ทําจดหมายถึงเศรษฐีไม่รู้ใครแนะนำนะทำจดหมายถึงเศรษฐีอเมริกันหนึ่งในสิที่เธอทําจดหมายคือบิลูเกต บิลเกนี่หมาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะบอกว่าเด็กๆต้องการมุ้งนะแต่ไม่มีมุ้งเพราะว่าเงินอยู่กับคุณเงินอยู่กับคุณบิลเกตได้รับจดหมายก็ไม่ให้บิลเกตมุนที่บิลเกตอนะนะมุนที่บิลเกตนี่ทําเรื่องการศึกษาสาธารณสุขไม่กี่วันท่านั้นแหละมือที่บิลเกตก็ให้เงินมาเลยสามล้านนะให้แกคัทเทลีนเพื่อส่งเงินไปให้ออฟริกา แคทเธอรีนก็เลยส่งใบประกาศเกียรติคุณมาให้ขอบคุณบนะิลเกตนะอำนวที่นี่ก็ดีนะอุตสาห บ, บอกได้วันเนี่ยเป็นเพราะแคทเธอรีนนะแคทเธอรีนบอกว่าเด็กไม่มีมุงเพราะเงินอยู่กับผมนะตอนนีเ้เงินมาแล้วนะมุงก็มาแล้วด้วยนะก็กลายเป็นว่ า, เ, าเธอได้ช่วยเด็กนี่เป็นล้านเลยนะเพราะว่ามุงหลังหนึ่งนี่เด็กอยู่ได้สี่คนนะเป็นมุงขนาดใหญ่ สามารถจะนอนได้สี่คนไอ้สามล้านเหรียญนี่มันก็ซื้อมุ้งได้สามแสนสามแสนหลังนะก็ช่วยเด็กได้ช่วยคนได้มาล้านกว่าคนเนะนี่พอวิจัดกรมนี่พอก็เธอช่วยเด็กได้เยอะแยะเลยนะอันนี้ก็น่าประทับใจมากนะเด็กห้าขวบซึ่งตั้งใจจะช่วยเพียงแค่เด็กไม่กี่คนนะแต่ว่ามันก็กลับขยายกลายเป็นลูกโซ่ แม่ของเด็กเนี่ยดูสารคดีแล้วก็เฉยๆนะเด็กตายหนึ่งคนทุกสามสิบวินาทีแม่ของเด็กดูก็ไม่ได้ว่าอะไรก็อาจจะรู้สึกเ ส, เสียใจหรือว่ า, ารู้สึกสงสารนะแต่ว่าแคทเทลีนี่ได้ยินเฉยๆนี่ไม่เฉยด้วยนะก็รู้สึกว่าร้อนใจที่ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนาทีแรกก็เธอก็คิดเพียงแค่ว่าหาเงินส่งมุ้งแค่หนึ่งมุ้งนะหนึ่งหลังไปให้ แต่ตอนหลังนี่ก็เกิดไอเดียขึ้นมามากมายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากนะตอนนี้แคทเธอรีนก็อายุสักสิบสี่สิบห้าแล้วนะก็คงจะทำอะไรอีกมากมายนะอันนี้แสงเห็นเลยว่าเด็กห้าขวบเนี่ยก็ยังสามารถจะทำอะไรได้เด็กนี่เรามักจะมองว่าเขาไม่ประสีภาษานะไอ้ไม่ประสีภาษานี่ก็เป็นจุดอ่อนนะ แต่ว่าจุดแข็งของความไม่ประษีภาษาคือว่าจะไม่อยู่เฉยนะพอได้ฟังเรื่องราวความทุกข์ของใครนี่ก็จะเกิดความสงสารแล้วก็อยากจะทำอะไรสักอย่างอย่างพวกเราผู้ใหญ่นี่ก็ฟังเรื่องราวพวกนี้มาเยอะแล้วก็เฉยๆแต่ว่าคาทเทลีนนี่เขาพึ่งก็ยังเรียกว่ายังเด็กมากนะพอแค่ได้ฟังเรื่องเด็กแอฟริกันตายนี่เขาก็ร้อนใจขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นจุดแข็งคาทเทลีนนะ อย่างที่เมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะจุดอ่อนนี่เป็นจุดแข็งเมื่อวานนี้พูดถึงเด็กแขนขาดนะแต่ว่าสามารถจะชนะแชมป์ยูโดได้เพราะเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ ง, น, ง, ขขงขนะคู่ต่อสู้นี่ไม่สามารถจะแก้ท่าของเซกิได้เพราะว่าเซกิไม่มีแขนซ้ายนะนเด็กนี่ก็เป็นจุดอ่อนนะแต่ว่าก็สามารถจะกลายเป็นจุดแข็งได้สามารถจะทําหลายอย่างที่ผู้ใหญ่คาไม่ถึงรู้ว่าทําไม่ได้ด้วย อันนี้ก็เล่าไว้นะเผื่อว่าเราพวกเรานี้ซึ่งรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้แต่จริงเราทำอะไรได้เยอะนะถ้าเราเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งซะอ่าเตรียมรับ